เด่นใน จ, ใจิตใจสว่างกระจางแจ้งภายใน จ, ใจิตใจพระสูตภายในใจจงเป็นผู้เข้มแข็งในการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดความเคลื่อนคลาดก็คือความผิดจากสายทางที่เดินเพื่อความถูกต้องแม่นยำและจุดที่หมายอันดี สมบูรณ์เต็มทีนั่นแหละเวลานี้ศาสนาเด่นอยู่ในตำรับตำลาเด่นอยู่ในความจดความจำเด่นอยู่กับลมปากมีแต่ชื่อแต่นามของศาสนาเกลื่อนไปหมดในชาวพุทธของเราศาสนาอันแท้จริง ไม่ได้เข้าเด่นในดวงใจเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีกําลังที่จะแสดงออกไม่ว่าทางกายทางวาจาทางจิตใจต่อเหตุผลผลอันดีงามตามหลักธรรมเพราะไม่มีกําลังลำพังความจําลำพังความรู้ธรรมดามันก็ไม่ผิดอะไรกับความจําความรู้ทางโลกทางสงสาร เ ห, เหมือนกันอารมณ์แมธรรมจะมีบ้างเล็กน้อยผิดเพราะอารมณ์ของโลกกับอารมณ์ของธรรมนั้นมีผลต่างกันอารมณ์ของโลกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมันทิ่มแทงจิตใจมากน้อยตามอิมล่งอานาจของอารมณ์ที่มีความอุนแรงต่างกันผลก็ย่อมปรากฏตามอารมณ์นั้นๆทางด้านธรรมะอ่านไปฟังไป มีผลบัางเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นแหละแต่การปฏิบัตินี้ไม่เป็นเช่นนั้นเริ่มปฏิบัติเริ่มฟัด เ, เริ่มเหยี่ยมกับกิเลสเขามากน้อยเย่างไรจะเห็นความเด่นของศาสนาขึ้นที่ใจโดยลำดับลำดาดังที่ท่านสอนไว้ว่าสมาธิปัญญา เป็นตนต้สมาธิในความจําก็ไม่พ้นที่จะขาดจะหมายว่าจิตเป็นสมาธิคงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้มีความสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่สมาธิที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติอันเป็นความจริงโดยตรงแล้วผิดกันไปหมดทุกขกระเบียด นี่เราคํามจำกับความจริงผิดกันอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจึงต่างกับปริยัติอยู่มากมายปริยัตเป็นแผนที่ทางเดินอาศัยปริยัตเป็นคุยหมายป้ายทางไปก่อนเพื่อภาปฏิบัติจะได้ก้าวเข้าสู่ความจริงพอเจอความจริงแล้วผลหนห่งความจริงที่ปรากฏในจิตใจนั้น จะต่างากับความส่างขามันหมายความจดจามากมายทีเดียวแม้แต่เพียงสมาธิก็ทำให้มีความตื่นเต้นมีความรื่นเริงตื่นเนื้อตื่ น, ต, นตัวขึ้นโดยลำดับนับแต่ขณะที่สมาธิได้เริ่มปรากฏในขั้นเริ่มแรบกบ แปกจากความจดจําทั้งหลายแบบเป็นคนลโลกไปเลยนั่นเราจึงแบบเห็นได้ชัดว่าความจริงที่ปรากฏขึ้นเป็นเช่นนี้ความจําก็ปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละแต่เป็นเช่นนั้ น, นต่างกันฉะนัแ้นบบผู้ต้องการอยากเห็นศาสนาจริงๆอยากศาสนาธรรมของผู้เที่ยวจริงๆ และรู้ทำเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้นั้นมีความลึกตื้นหยาบละเอียดหนักเบาหรือวิเศษเพียงไรนั้นรงนำการปฏิบัตินี้เข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบจะได้เห็นขึ้นตามหลักธรรมที่สอนไว้อย่างเพรื่องจบร้อ น, นอ น, นั่นแหละทำทุกบททุกบาทไม่มีอดีตอนาคต นั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันมาคาดมาหมายเอาไว้ต่างหากซึ่งมันรุมร้อนอยู่แล้วตลอดเวลาในวงศาสนาธรรมนั่นแหละในวงผู้เป็นชาวพุทธนั่นแหละในวงผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันไม่ได้ลดละความเสียดความแทงความแทรกความซึมของมันความยุ่ยหย่ก่อกวนมีหมดทุกเนี่ทุกมุมจากกิเลสประเภทต่างๆไม่มีการว่า ย่อหล่ออ่อนข้อเหมือนการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดมันตัวเหตุนี้ขั้งพุทธการที่ว่าสมัยนั้นกับสมัยนี้นั้นจึงต่างกันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าหลักธรรมนี้กับหลักตามโน้เ น, น, สส น, นเหมือนกันสดุดร้อนๆเหมือนกัน ไม่มีคำว่าอาดีตอนาคตมีเป็นความจริงถูกต้องในงามต่อจุดที่หมายอันเดียวกันหมดถ้าพูดนำมาปฏิบัติให้เป็นไปตามร่องรอยที่ ท, ทรงแสดงไว้แล้วจะไม่ผิดพลาดก่อหวังจะได้ทำสมหวังขึ้นมาสนองความต้องการของเราเอาให้เห็นศาสนาธรรมเจริญขึ้นที่ใจ ให้เห็นธรรมรุ่งเรืองที่ใจเจริญที่ใจของนักปฏิบัติเรานอกจากการปฏิบัติกิจตภาวนาแล้วยากที่จะทราบจะพบจะเห็นจะสมมักสมหมายได้ถ้าทางภาคปฏิบัตินี้แล้วไม่สงสัยขอให้ได้รับคำแนะนำอันถูกต้องดีงามจากครูอาจารย์ซึ่งรู้มาสดสดร้อน้อนเช่นเดียวกันเถอะเหมือนขัง้งกุธการพระพุทธเจ้าทรง รูปของจินอย่างสดสดร้อนๆ้อประกาศออกจากพระไทยเข้าสู่ใจของสาวกซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อธทําอยู่แล้วท่านเหล่านั้นก็รับได้อย่างเต็มที่เต็มที่อุทายก็ปรากฏเป็นธรรมสดสดร้อนร้อนขึ้นที่ใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามขั้นภูมิโดยลํำดับลําดาบจนถึงมิมุติบุดพ้์เช่นเดียวกันอนนี้สาธนาธรรมนั้นเข้าสู่วงปฏิบัติ ของผู้สนใจใกล้ต่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วและได้รับโอวาทคำสั่งสอนจากครูอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงแนะนำโดยถูกต้องแม่นํำแล้วข้อเช่นเดียวกันกันกบคกกรั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดแปลกกันขอให้การปฏิบัติดำเนินของเราเป็นไปตามแถวทางที่ท่านสั่งสอนนั้นเถิดจะไม่ผิดหวังนุกตัวอย่างเช่น พอแม่กูบรจารณ์ัท่านแสดง เ, เหมือนกับภาษาพวกท่านแสดงไม่มีอะไรผิดกันเลยขณาดที่ฟังฟังด้วยความดูดดื่มฟังด้วยความสนใจไม่ปล่อยระยะให้ทิ้งไปให้ผ่านพ้นไปไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไปไม่ทำหนักเบาแงต่างๆที่ท่านแสดงไปเพราะท่านแสดงทั้งหมดนั้นมีแต่ความกินล้วน ตามขั้นทำรรนั้นนั้นผู้ฟังย่อมได้ฟังทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมเนื่อเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจมันสำคัญที่สิ่งแทรกซึมดังที่กล่าวนี้พูดไปไหนก็ไม่พ้นที่จะมาพูดจุดนี้เพราะพูดก็พูดเพื่อรบเพื่อต่อสู้เพื่อแก้ไขต่อถอน ต่อสู้แก้ไขถอดถอนอะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่เป็นภัยหุ้มหอ่อหรือรับรึง อ, อยู่ภายในจิตใจอย่างมิดตัวนี้ขมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปรบกับมันดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศาธาตุเป็นอากาศาธาตุวัตถุแร่าธาตุต่างๆเป็นสิ่งนั้นๆตามสภาพความจริงของมัน ไม่ได้มาเป็นค่าตี์ต่อจิตใจเช่นเดียวกับความสำคัญมั่นหมายอันออกจากตัวที่เหลืนี้ให้ทำให้เกิดความยดความถือความรักความจำนี่เลยเพราะนั้นการกล่าวจึงนอกเหนือไปจากสิ่งนี้ไม่ได้เพราะสิ่งนี้ใกล้คิดติดกับใจจริงๆจึง จ, งจงอนอหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเมื่อยังไม่มีสติปัญญาแยกแยะออกได้แล้วที่เหลืกับใจนี้ ร้อยเปอร์เ็นต์อยากพูดว่าเป็นอันเดียวกันเพราะจนขนาดที่มองหาใจไม่เห็นเลยมีแต่รู้รๆเฉยๆรู้ก็รู้ทั่วสารพางร่างกายแม้แต่สัตว์เดือฉันเขาก็รู้ความรู้ของมนุษย์กับสัตว์เดียวฉันที่ถูกหุ้มห่อจากธรรมชาตินี้จึงไม่มีอะไรผิดแบกกันเลยต่อเมื่อได้แยกได้แยกตามขั้นตอนไปดังที่ท่านสอนไว้สมาธิปัญญา อันนั้นนั้นแหนถึงจะค่อยจางไปจางไปจิตสงบนั้นก็คือกิเลสสงบตัวถูกปราบปรามถูกต้านทานถูกยีดขวางด้วยถังใจย่อมมีความสงบได้ถ้ากิเลสไม่สงบใจจะหาความสงบไม่ได้ทั้งๆที่อยากให้สงบก็ไม่มีทางสงบได้เพราะพูกนั้นถูกลากไปอยู่เสมอ กำลังเราไม่พอแล้วคล้อยตามมันเสียดายความคิดความปรุงเสียดายเรื่องสัญญาอารมณ์ที่มันมาหลอกมาลวงมาต้มมาถึงก็บืนไปตามมันเสียจนได้คาว่าสมาธิก็ถูกหยาดย่ำทำลายไละเสียนอกจากถลอกปอกเปิดไปตามอารมณ์ต่างๆด้วยความเสียดายด้วยความหยายมุงใยนั่นแหละ เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องได้รบกับสิ่งเหล่านี้นแบยบยลขนาดไหนเึงทราบว่านั้นคือสิ่งที่ชุดรากหนาแน่นมากต้องคืออย่างนั้นถ้าเป็นเชือกก็เชือกที่มั่นคงมากเชือกแบบเชือกไนลอ น, น, นไนย่อนี้เส้นเล็กก็ไนล่อนเส้นใหญ่ก็ไนล่อนมีแต่อย่างเหนียวแน่นมั่นคงมัดไม่เป็นไปด้วยไปตามได้อย่างไร เพราะทำประเภทที่ไนลอนยังไม่มีทั้งๆ ท, ที่จะมีและมีหนูเหงือกสิ่งมั่นคงเหล่านั้นอีกแต่เรายังไม่มีจึงต้องถูกฉุดถูกลากทําให้เสียดายแต่กับอารมณ์ที่คิดที่ปรุงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้มาจากไหนได้มาจากสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ตางตา ห, าจาหาูหาจมูกลิ้งกายนี่แหละ เข้ามาเป็นทั้งที่เป็นอยู่ในขณะที่สัมผัสสัมผัส น, นั้นทั้งที่เป็นอารมณ์อดีตเข้ามาทุ่นที่อยู่ภายในจิตใจนี้ในจิงกลายเป็นอารมณ์ของอันเดียวกันไปหมดแล้วฉุดลากไปโดยที่เจ้าตัวไม่รู้นี่คำว่าสมาธิคือความสงบใจเมื่อถูกก่อกวนด้วยอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะหาความสงบทินไหนได้ใจจิตไม่สมบงบการที่จะทำใจให้สงบ ต้องมีท่าต่อสู้กับสิ่งเสียดายเหล่าทั้งหลายเหล่านี้เพราะทางเหตุผลแล้วเสียดายมันอะไรความคิดก็คิดไปเรื่องภาพเรื่อขันเรื่องหญิงเรื่องชายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสำปะซึ่งเต็มอยู่ทั่วโลกดินแดนแม้เขาไม่คิดเขาก็มีโลกทั้งหลายก็มีมีอยู่ทั่วไปในสิ่งเหลนี้มันไม่เห็นเป็นอารมณ์วิเศษวิโสอะไรเพราะที่จะดูถึงเพราะเคยคิดแล้วคิดเล่า ยุ่งแล้วยุ่งเรามาตั้งกับตั้งกันนับตั้งแต่วันเกิดในชาตินี้เรายุ่งกับอะไรถ้าไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่เรื่องให้ยุ่งไม่ใช่เรื่องให้มีความสุขความสบายเพราะที่จะดูดดื่มและพอใจไปกับมันสิ่งที่ทําให้พอใจอยู่เวลานี้ก็คือเพื่องอะะร่อในใจกิเลนนั่นเองมันไม่ทาให้เสร็จให้หลามันทาให้ติดอยู่เสมอไม่สมอโลกยิงไม้ติด ทุกพระอารมณ์อันใดก็ไม่เห็นโทษไม่ว่าจะส่วนยะอารมณ์อดีตอนาคตใกล้ไิไปแล้วมันวาดภาพหลอกไปได้หมดหลงไปได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตหลงแบบดงลมแรงๆอยู่เช่นนั้นหลักความจริงที่ควรจะได้จะถึงตามความมุ่งหมายแต่าพาอยิ่งอย่างยิ่งของนักปฏิบัติยิดต่อภานายิงไม่ปรากฏจะปรากฏได้อย่างไรเมื่อมีแต่สิ่ง เหลวไหลๆเหล่านี้มาเป็นสาระแกนสารภายในจิตใจบีบขั้นจิตใจซะโ ด, ดยแต่เดียวตลอดเวลามาอยู่แล้วแล้วจะหาความวิเศษวิสูจจากอะไรที่ไหนกันให้คิดนักปฏิบัตินี่สอนให้คิดอธิบายให้คิดสิ่งเหล่านี้มันจําเจลเหลือประมาณถ้าหากว่าจะมีประมาณจับกันทดสอบกันแล้วมันเหลือประมาณล้นหัวใจด้วยกันทุกรายทุกราย ล้นหัวใจก็ล้มเหลวอยู่ในหัวใจเต็มไงหมดมันมีมากเท่าไรยิ่ง ม, มีความล้มเหลวภา น, ในใจิตใจมากได้ของพิเศษอะไรจากอารมณ์เหล่านี้เราจึงได้กะหิมยิ้น ย, ย่องกำมันนั่งหนามไม่เคยเห็นโทษเห็นไปของมันอารมณ์ใดมากก็ความมากความมา ก, ามากตื่นเป็นบ้าไปกับมันหมดนี่ทีอว่ามันแหลมคมซึมซาบแทรแซกซึมอยู่ตลอดเวลาการภาวนาของเรา เพื่อจะให้เป็นอัดเป็นธรรมเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติเปลี่ยนอารมณ์จากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่ความเป็นอารมณ์แห่งธรรมมันจึงเป็นไปได้ยากและเป็นไปไม่ได้เพราะจิตมันถูกถูกตรูบมากจากอํานาจกินเลนืวกว่านั้นไปเสียก่อนหาถิตไม่าด้ท่านจึงต้องได้ใช้ความพยายามให้หนักแน่นตัดความเสียดายด้วยเหตุผลที่กล่าวเหล่านี้ออกจากใจ แล้วฝืนกันลงไปคําฝืนนั่นหนละคือการขยร์กันกับมิเลดมิเลดดึงไปเราดึงมาฝืนเข้าสู่ธรรมถ้ามันจะขยับตัวออกไปชิตก็ให้ใช้คำบริกรรมผู้อยู่ในขั้นบริกรรมเอาให้หนักตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดมือจากมือของมันเข้ามาสู่ใน วงสติปัญญาของเราไม่ได้แม้ชั่วขณะหนึ่งพยายามทำต่อสู้กันเช่นนั้นการปฏิบัติไม่ต่อสู้ไม่ฝืนไม่ได้ไม่เรียกว่าปฏิบัติต้องฝืนทางนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันรอบทิพ ร, รอบด้านทั้งภายในภายนอกหนานแน่นด้วยมันทั้งนั้นไม่มีอะไรหนานแน่นโลกธาตุมันจะใหญ่โตขนาดไหนยี จั ก, กรวาลก็ตามไม่มีอะไรมาเป็นสิ่นหนาแน่นมาเป็นสิ่งปกคลุมหุ่มหอ่อจิตใจเหมือนธรรมชาติของกิเลสหรือธรรมชาตินี่หละเนี่ยจึงว่ามันเป็นผุ้มีอำนาจทรงอำนาจมากที่สุดแล้วฝืนได้ยากถ้าเราจะ เ, เรื่องของกิเลสเข้ามาแทรกเข้ามาอีกก็ฝืนได้ยากถ้าเรื่องของทำแล้วยา ก, ยากอะไรแต่งกิเลสมันทําเราไม่เห็นว่ายากเราจะแก้กิเลสมันยากที่ตรงไหนนั่น ให้กิเลสมันได้รับความทุกข์ความทนมานเช่นเดียวกับเราที่ได้รับความทุกข์ความทนมานจากกิเลสนี้ไม่ได้เลยนักปฏิบัตินักธรรมะต้องทวนกระแสกิเลสลาบประจํากระแสเราทวนกระแสไม่หยุดไม่ถอยการปฏิบัติถ้าที่จะไม่เคยเป็นก็ตามเถอะขอให้ดําเนินตามรอท่องรอยที่กล่าวนี้น่าจะได้วปรากฏขึ้นที่ใจเป็นสมบัติของเราพร้อมในขณะนั้นเลย นี่อ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้หนอจิตสงบเย็นเย็นตามขั้นแห่งความสงบของจิตคำว่าสมาธินี้ไม่ได้แน่นอนอะไรท่านพูดเป็นกลางๆไว้ว่าสมาธิถึงขั้นที่ขาดไปหมดเลยก็มีไม่มีเงื่อนอะไรต่อเลยเห็นปรากฏแต่ความรู้ร้วน ร, ว น, รวนเด่นดวงและอัศจรรย์อยู่ในขณะนั้นอยู่ในจุดนั้นด้วยเพียงอารมณ์ขาด อารมณ์ของใจนี่แหละมันไม่แสดงออกไปเพื่อต่อเรื่องต่อเรามันขาดอยู่ภายในจิตใจก็เหมือนกับว่าอารมณ์ภายนอกขาดไปหมเพราะใจตัวคัดคึกขนองนี่ไม่ออกไปคว้าน่่มควานี้ยึดเข้ามามัดขอตัวเองก็เป็นอิสระในขนาดนั้นเพียงเท่านี้ก็กระเทือนหัวใจมากในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติตื่นเต้นศรัทธาความเชื่อ เชื่อด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในตัวเองย่อมเป็นอาจารศรัทธาเชื่อมั่นนั่ น, น, นความเพียรความพยายามทุกอาการจะรวมตัวเข้ามาสู่ตุดเดียวแล้วก็มีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็หนุนจิต ด, ดวงนี้ให้มีความสงบละเอียดเข้าไปโดยน้ำนักหรือว่าให้ได้นาน จนเป็นพื้นฐานแห่งความสงบอันมั่นคงขึ้นภายในจิตใจของตรนี่คือจิตเป็นสมาธิรู้ได้ชัดร่างกายทั้งร่างนี้ก็ทราบว่าร่างกายใจที่เป็น ค, ความรู้ที่เด่นดืวงอยู่ภายในวงร่างกายนี้ก็รู้ว่าคือใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนี่เพียงขั้นสมาธิแล้วก็พอแยก พอพูดได้แล้วว่ากลายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันนี่ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่ทราบเลยเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแต่จะเมาเอาทั้งร่างนี้แหละว่าเป็นเราเป็นของเราตลอดถึงมูดคูดมันเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้ก็ว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเราอยากว่าแต่ร่างกายเหล่านี้จะเป็นเราเป็นของเราอย่างเดียวเลยมันเป็นไปหมดมันเหนาออกหมดมันบีบบังคับให้ยึดให้ถือให้กึนไปหมด ขึ้นจุบักจิเลจแล้วเป็นเช่นนั้นแต่พอจิตมีความสงบเย็นลงไปแล้วมันแยกของมันเองเรื่องของมันเองเพอจิต ม, มีความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาจะเป็นความสงบขั้นใดก็ตามนอกจากปัญญาปิศามันของปัญญาที่เราจะควรใช้ในเวลาที่นกําลังยุ่นเหยิ ง, ยงวุ่นวายทีรบมนกันอยู่นั้นเข้าปัญญา เข้าฟัดกันตรงนั้นก็ได้มันเป็นกรณีพิเศษแต่ตามหลักสาบคนหนึ่งผู้ปฏิบัติทั่วไปแล้วมากเป็นอย่างที่ว่านี้เมื่อจิตมีความสงบมากน้อยอย่างไรถ้ให้พยายามพิจิตพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายดูทั้งความปฏิคูลโศกโครโศกตกโสมมคลี่คลายดูทั้งเรื่องอนิจังทุกขังอนาาัตตาอาการใดก็ต า, าม ในใจรักใจประสาเมื่อสัมผัสกับใจดูดดืมกับใจแล้วเป็นความถูกต้องให้พิจรารณาใจรักนั้นแล้วจกประสัดประสานกันไปหมดทั้งสามใจรักนั่นแหละปัญญาจะเกิดเกิดด้วยการพา น, นําออกพิจรารณาเกิดด้วยการบังคับให้พิจรารณาเสียก่อนในดวงตัวแล้วจะปล่อยให้ปัญญาเกิดเองนั้น อย่างน้อยเกิดได้ยากมากกว่านั้นไม่เกิดในที่กิเลสหนาปัญญาหยาดอย่างพวกเรานี่เป็นเช่นนั้นไมเหมือนผู้ที่บางผู้ที่มีกิเลสเบาบางเป็นปรเภเพศอุกติตนอยู่วิไปิกันอยู่นั้นยกไว้เป็นกรณีหนึ่งหรือประเภทห น, น, <c oughs> นึ่งต่างถาไม่นําเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงสมาธิปัญญา ดังที่ว่าสมาธิปาริธาปาริภาวิจาปัญญามหาปราหูกิมานิชังท่านเป็นขอท่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นไปเรื่อยเรามันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องได้ใช้การพิกนำออกที่แฉนานที่ขาดเราอยากกนหนดเวลาเวลาให้กิเล็สมันมาปักปันเขียนแดนเอาไว้มาทํางานสวมรอยเราบังคับเราใส่งานของมัน เราต้องทำงานของเราดูมันอยากจะออกไปคิดไปไหนไม่คิดจิตที่มีความสงบแล้วย่อมไม่หิวโหวยมีความอิ่มตัวในพันธุ์นี้ถ้าทำการทำงานอะไรก็ทำถ้าเป็นไปทั้งความหิวโหวยเลยนะพ่อพิจนาให้เป็นปัญญามันกลับเป็นสัญญาลงและเละร้อนไปเสียไ้ไม่ได้จ้ศัพ์โดยแสงไม่ได้เรื่องเลยราวท่านจึงสอนให้จิตมีสมาธิคือการอบลม ให้ใจสงบเย็นแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาได้พอปัญญาได้เริ่มก้าวตัวออกไปสู่สภาวธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในโดยทางอนิจจังผุ้ปังละจาก็ดีโดยทางอสุภะอสุพังปฏิคูลโสกโปกหรือโสกโปรพรพกสง ม, ม, มก็ดีแ้่จิตจะกา้าวไปเลยเอยเมื่อเห็นผลแล้วก็ยิ่งขยับตัวเข้าไป การบังคับบรญชาก็น้อยลงน้อยลงเพราะพบปัญญาได้รู้ผลของตัวเองแล้วเห็นผลในการกระทําของตัวเองแล้วย่อมจะหมุนตัวไปเรื่อยๆเกดความพอใจอเ俏แสวงอยากรู้อยากเห็นอยากละอยากถอนอยากค้นพิพิพจรารณาถึงสิ่งที่เป็นข้าสิทธิ์และสิ่งที่ทําให้ติดให้ทั่วพันธ์คืออะไรเป็นเพราะอะไร มีสาเหตุมาจากไหนมันจะซิกซิกแซกแซกซอกแซกไปทุ่งแง่ทุกมุมแล้วขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ามังคีเดชจะแหลมคมขนาดไหนกันตามเมื่อปัญญาถึงขั้นที่จะแหลมคมกว่าที่โหดแล้วยังไงก็ต้องแหลมคมซอกแซกไปได้หมดที่เล็วเข้าปักเสียบไว้ตรงไหนตรงไหนไม่ว่าความน้ำจะถึงแหลมหลาจะหยาบแล้วยีขนาดไหนปัญญาจะเที่ยวถอดเที่ยวถอนออก รื้อออกทอนออกหมดนะนี่นะเรียกว่าปัญญาการฆ่ากิเลดนี้ฆ่าด้วยปัญญาปัญญาในขั้นที่เราพยายามสร้างเราต้องสร้างเราต้องบังคับถึงขั้นที่เป็นปัญญาขึ้นภายในจิตใจแล้วนั้นเป็นนั้นไม่ได้บังคับเรียกว่าจิตเป็นโรงงานแห่งธรรมแล้ว แต่ก่อนเป็นโรงงานติดกิเลสทั้งหลายตลอดเวลาธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้ามาได้ถูกปัดถูกเอีออกหมดพอถึงขั้นของธรรมได้เข้าแทรกเข้าทำงานมีกําลังพอสงควรแล้วขับได้กิเลสออกเลยกลายเป็นโรงงานแห่งธรรมขึ้นที่ใจดวงเดียวนั้นสมาธิก็เป็นอยู่ที่นั่นผิดขึ้นที่นั่นปัญญาทุกขั้นทุกภูมิของปัญญาก็ผิดขึ้นที่นั่นผิดไม่หยุดไม่ถอย จนกว่าที่เรศจะบรรลัยไปกึเมื่อไหรแล้วปัญญาถึงจะหยุดตัวมันเป็นขั้นอัตน ม, มัติแต่จะเป็นกำบนักปฏิบัติ ก, กันนักิดตัดอนาที่ชอบพิิจพิจารณาชอบไถ่เถีงเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วความเยนโล่งเพื่อความพ้นทุกข์จะเปิดเผยออกมาอย่างปรจักใจ ความติดตามอันตูเพราะอำนาจของยิ่ิเล็ซึ่งเป็นเหมือนยักษ์เหมือนผีซึ่งติดตามหลังมานี้มันจับเป็นเหมือนเสือร้ายไล่จะกัดเราความเตียนโล่งเพื่อความพ้นไทยนั้นจะเปิดด้าเปิดด้าเนี่ยที่ว่าความเห็นไทยเห็นอย่างนั้นแต่ความเห็นคุณก็เห็นอย่างเดียวกัน เมื่ทั้งความเห็นไทยทั้งความเห็นคุณเข้าหมุนดวงใจดวงซึ่งพร่อนอยู่แล้วนี้ยังไงก็หยุดไม่ได้หมุนตัวติวติวตวิเราจะได้เห็นชัดเจนว่าความขี้เกียจขี่ค้านความทอแท้อ่อนแอความสงสัยสนเท่ความตาหนิตัวเด่นมากบุญน้อยวาสนาน้อยงูกเขา่าเบาปัญญานี้เราจะได้เห็นเรื่องเหล่านี้ ว่าขาดสะบั้นไปหมาจากกิตใจเนื้อเห็นเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นกิเลสเป็นตัวภัยทั้งนั้นเพราะถึงคั้นนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยมีแต่จ ะ, จะเอาท่าเดียวถ้ามาชนะก้องให้มีแต่ชนะท่าเดียวกับตายเท่านั้นไม้พ้นท่าเดียวกับตายเท่านั้นคาว่าแพ้มีไม่ได้ต้องตายเสียก่าตายก่อนแพ้ตายแล้วถึงใครจะว่าแพ้ไม่ แต่ะนะไม่สาคัญ ก, กับชนะเท่านั้นมีเท่านั้น <c oughs> นี่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเองในผู้ปฏิบัติการที่เราได้รับจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นวิชาทั้งดุ่นเป็นความรู้เป็นเป็น ส, นสติเป็นปัญญาทั้งดุ่นไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงแต่เมื่อเราได้ผลิตขึ้นภายในจิตใจของเรา ดังที่กล่าวมาแล้วนี้นั่นแหละเกิดขึ้นมากขึ้นน้อยเป็นสมบัติของเราทั้งมวลทั้งมวลทั้งมวลเรืยไปลยแล้วเป็นสันทิฏิโกเป็นธรรมชาติที่พลิกแปลเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ร้อยชั้นพันคนก็คือปัญญาที่เขียบขาดปัญญาที่ช่องตัวนั่นแหละเมื่อเป็นถึงขนาดแล้วกิเลสตัวไหนจะมียงาานาฏวาสนามาเหนึ่งือมาป่าดังที่เคยหนือมาแล้วไม่มี นี่จะขาดสะ บ, บั้นลงไปขาดสะ บ, บั้นลงไปเพราะอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกล้าแข็งมากจนไม่มีอะไรจะมาต่อก่อนสุดท้ายก็ทงังทลายบรรดาข้าสึกทั้งหลายซึ่งเคยเรืองอำนาจมาเป็นนานๆบ่มหัวใจแล้วทังลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่เหลือก็มีแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ดล้วนๆสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องบังคับบัญชาว่าเราตั้งใจปลดตั้งใจปล่อยตั้งใจวางเครื่องมืออย่างนี้ไม่มีหากเป็นหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีกับตัวเองทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคือศาสนาจเจริญในหัวใจทำจเจริญเห็นอยู่กับใจของผู้ปฏิบัติเราจะมองปี่อื่นไม่เจอมองไปที่ไหนก็มีแต่สายตาไปเห็นรูป กนั่นเสียฟังที่ไหนก็มีแต่เสียงมันไม่ใช่ธรรมธรรมแท้ขึ้นที่ใจใจเป็นอจนาจฉระสาคัญสาหรับรับธรรมเชื่อมต่อทําทั้งหลายมากน้อยจนกลายเป็นครั้งแห่งธรรมขึ้นมาที่ใจเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทึ่เคยมีมาในหัวใจมากน้อยขาดสะบั้นลงไปหมด เนื้อแต่สวรรค์ทมกโลกนิพพานก็ไม่ขาดไม่ฝันไม่คิดไม่หมายนรกอเวกีที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบใดชาติใดหมดปัญหาไปดูประการทั้งตัวเพราะไม่ทำลายหมดแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหามีแต่ความจริงล้นๆนเต็มหัวใจพอตัวไม่ยิ่งไม่หย่อนถ้าจะพูดมาเป็นแบบหยาบๆก็ไม่ยิ่งไม่หย่อนนว่า เป็นมัจจิ ม, มาในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นั้นมัจจิ ม, มาปฏิปทาทางดําเนินหรือเหตุเครื่องดําเนินนี้เป็นอันหนึ่งดําเนินให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนไว้นั้นทุกประกาศเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นมัจจิ ม, มาในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์เพราะทุกท่านได้ตั้ง อ, อกตั้งใจอยาละเล่อแหล่ หนั้งหน้าทั้งาตาปุธปฏิบัติอวาสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้อื่นใดก็ตามยิ่ยงกว่าสนใจดูวาล า, ากิจของเจ้าของจึงมันคิดมันตร่มเรื่องอะไรมันสัมผัสสัมพันธ์กับจริงต่างๆมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างไรนั่นแหละเิเลิ์สร้างตัวเองขึ้นมาสร้างตรงนั้นสติปัญญามีก็สังหารจตสิทธิ์ไปในขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ในขณะที่ก่อคิดตุงของใจปรากฏขึ้นมา ดูตรงนี้ดูที่เลสค่ากิเลสค่าตรงนี้สร้างทำสร้างเป็นตรงนี้ไม่มีที่อื่นเป็นที่สร้างเอาจินเอาจางกลับทุกสินงทวกอย่างและการมาอยู่ด้วยกันจํานวนมากไม่พ้นความหนักใจถึงไม่ได้พูดอะไรก็หนักใจอยู่เช่นนั้นควรตรงสร้างตัวเองให้ดีให้ตัวเองสงบเรียบร้อยภายในตัวระหว่างแห่งการณ์กันจะสงบเรียบร้อยไปเอง ถ้าสัญญารุมภะจิตใจนังเที่ยเตะนุ่มถีบนี้ยันนันอยู่แล้วมันเป็นความไม่สงบระหว่าง ก, ากัน้นกันยิ่ยงไม่สแสดงออกมาทางกิ ร, ยริยามารยาทโดยแล้วเ็วที่สุดจึงไม่ควณนำออกมาใช้ในวงปฏิบัติเพราะนั้นเป็นเรื่องของขิเด็กยาวขีเด็กมาขายสถานที่นี่ไม่ใช่ตลาดซื้อขายขิเด็กเป็นตลาดราธรรมสาติธรรมคือตลาดแห่งมรรคนิพพานไม่ใช่ตลาดแห่ง เกิเลสทิฏีิมานะมาโอมาอวดอันนี้โลกมีเต็มไปแล้วไม่เป็นของวิเศษไอเลยจึงไม่ควรนําเข้ามาเกี่ยวข้องมันปรากฏขึ้นที่ใจนั้นแหละก่อนให้ดูที่ใจตัวเองก่อนที่จะไปเพ่งโทษเพ่งกรผู้หนึ่งผู้ใดให้เพ่งโทษตัวมันขนองภายในจิตใจนีน้แล้วจะได้เห็นจุดข้งมันที่บกพร่องที่แสดงความเป็นตืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วกำลังรับกันได้ตรงที่ตรงนั้น ถ้าไม่ดูถุดนี้แล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ว่าแต่เจ้าของนี่ถูกเรื่อยไปเรื่อยไปคนอื่นไม่มีทางถูกมีแต่เจ้าของถูกถูกเจ้าของสำคัญว่าถูกเท่าไรยิ่งผิดมากสุดท้ายก็เท่ากับเตือนไปหมดทั้งวัดทั้งบ้านซึ่งไั่ใช่ความมุ่งหมายของตัวเองที่ต้องการและเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันนี่เลยจงพากันละมัดระวังให้ดีอย่าให้หนุ่ม เราเป็นนักบวชนักธรรมนักวิเลษไม่กําหนดว่าชาติท่านวัหน้าใดเราคือคนเราคือพระนี่โดยหลักธรรมชาติที่ถูกต้องเหมาะสมดูแลคนสมบูรณ์แบบพระสมบูรณ์แบบจะมาจากอุปชาใดก็าตามมาจากบ้านใดเมืองเมืองใดก็าตามคือคนแล้เวเลาบวชเป็นพระแล้วก็คือพระตามกฎเกณฑ์ที่ท่านบัญญัติอไว้เป็นพระโดยสมบูรณ์ แม่ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าได้ตำหนิงคนนั้นอย่าได้ตำหนิงคนนี้ยิ่งกว่าการตำแหน่งตัวเองในขณะที่อาการไม่ดีของใจปรากฏขึ้นมาอากมีความผิดพลาดประการใดในระหว่างที่อยู่ด้วยกันควรแนะนําสั่งสอนกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยว่าด้ธรรมอย่านํากิเลสเข้ามาสังหามกันผู้ฟังก็จะรับไม่ได้อย่าว่าแต่ผู้เทศผู้สอนดังนั้น ว่าเป็นความถูกต้องเลยมันมีพิษแฝงออกมาในกิริยาการนั้นใครก็ขยาขยัง่งก็ยอมรับผันไม่ได้และเอาเหตุเอาผลเอาอาตัตตาธรรมวิจัยในกันสางในความผิดถูกเพื่อดีประการต่างๆแล้วผู้มุ่งมาต่ออัตตาธรรมด้วยกันย่อมจะยอมรับกันนี่เป็นหลักใหญ่ในวงคณะที่อยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นมีความขยันหมั่นเพียรในขอ้อวัดปฏิบัติได้เห็นว่าคนนั้นทําแล้วคนนี้ทําแล้วแล้วเราแล้วเรา ไอ้เป็นขี้เกียจขี้ค้านนั้นมันไม่แล้วแหละความขี้เกียจมันจะเป็นอย่านันตลอดไปใครจะทําอะไรอะไรมันก็จะตำแบกจากความขี้เกียจขี้ค้านมันเป็นตัวคนงเกเรนั่นแหละอยู่บนหัวใจให้เหยียบหัวจะของลงไปมันก็มีวันอิ่มพอเราเข้าใจว่าได้เปรียบมันเสียเปรียบไปตลอดมันไม่ได้เปรียบอะไรผู้ที่มีความขยันเหนื่อเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบในวงของพระนั่นแหละคือผู้ได้เปรียบ ไม่เปรียบตัวเองไม่เปรียบดิเลทที่มีอยู่กับตัวไม่หวังเอารักเอาเปรียบผู้หนึ่งผู้ใดนี่คือความถูกต้องนการไปการอยู่ของผมก็ไม่แน่นอนอนะยานี้ดังที่ท่านทหาได้เห็นแล้ว <c oughs> ที่็ว่พลาดลาจากไปนุ่นไปนี่ทั้งที่ห่วงใยหมู่เพื่อนแต่ความจำเป็นก็บังคับหยู่อีจําต้องทํามันขอ้ ดูตัวเองให้เชื่อตัวเองด้วยอดด้วยทำอย่าเชื่อตัวเองด้วยกิเลสให้นำอัดนำทำเข้ามา <S <S เป็นช่วงยึดเครื่องเหนียวเป็นจับขีปยานเชื่อตัวเองลงในจุดนั้นบังคับตัวเองลงในจุดนั้นครูบาอาจารย์จับไปจะอยู่ไม่เป็นของทั้งคัญยิ่งกว่าทําอยู่กับตัวเองความผิดความถูกอยู่กับตัวเองแก้ที่ตัวเองนี่เป็นความถูกต้องนั่งยับการแสดงธรรมก็ไม่สมควรขอยุดที่เพียงเท่านี้